ผู้มีปรีชาพึงสันนิฐานในอัธยาที่บายเป็นใจความเถิดว่าตันหาอันมีลักษณะให้ปรารถนากิเลสกามและภัสดุกามนั้นเมื่อปราศจากสัสตาทิฏฐิและอุเฉทาทิฏฐิหาสัสะตาทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิจะเกิดพร้อมมิได้ก็จัดได้ชื่อว่ากามตันหาตันหานั้นครั้นประกอบด้วยสัสะตาทิฏฐิ ถือไปว่าสัตว์เที่ยงโลกเที่ยงเห็นว่าบังเกิดเป็นสัตว์แล้วไม่รู้ชิพหายประไล่เลยประกอบด้วยสัตสตตาทิฏฐิ์ดังนี้แล้วก็จัดได้ชื่อว่าภวะตันหาและตันหานั้นครั้นประกอบด้วยอุเฉธัทิฏฐินั้นเห็นไปว่าสัตว์ทั้งปวงนี้ตายแล้วศูนย์ตายละวศูนย์ไปไม่เกิดอีกเลย ประกอบด้วยอุเชธาทิธิกดังนี้จัดได้ชื่อว่าวิภวะตันหากามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาทั้งสามประการนี้ย่อมให้มีความรักความยินดีในจักรคู่แห่งตนให้มีความรักความยินดีในนาสิกแห่งตนในคานะแห่งตนในชิวหาแห่งตนและกายและน้าใจแห่งตนเหมือนกันสิ้น จะได้แปลกกันนั้นก็หาบ่อมิได้กามตัิหานั้นจักขุก็รักโสตาก็รักชิวหาก็รักกายก็รักน้ำใจก็รักรักน้ำใจแห่งตนข้างภวะตันหาที่สำประยุทธ์คือประกอบด้วยสัจสตาทิฏฐินั้นเล่าก็รักจักขุรักโสตะรักคานะรักชิวหา รักกายรักน้ําใจแห่งตนตกว่ารักอายตนะทั้งหกภายในกายแห่งตนสิ้นด้วยกันข้างกามตันหารักภายในหกข้างภวะตันหารักภายในหกข้างวิภวะตันหาที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเฉทัติฐินั้นเล่าก็รักจากขุโสตะคานะชิวหากายรักน้ําใจแห่งตน รักอายตนะภายในหกะสมเข้าด้วยกันจึงเป็น18เรียกชื่อว่าอัจฉติกะตันหาโดยนัยยะที่กล่าวมาแล้วแต่หลังและกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาทั้ง3มประการนี้เมื่อรักรูปรักเสียงรักสัมผัสถูกต้องเป็นของแห่งบุคคลผู้อื่น รักนำใจแห่งบุคคลผู้อื่นรักสิ่งของสัพพพัสดุแต่บรรดาที่เป็นภายนอกกายในการใดก็จัดเป็นพาหิราตัญหาได้ถึง18ประการในการเมื่อ น, นั้นบัณฑิตพึงสันนิฐานเถิดว่ากามตัญหานี้ย่อมรักซึ่งรูปทรงสันนฐานแห่งสัตว์และสังขารนีประการต่างๆ อย่างไรจึงเรียกว่ารูปสัตว์อย่างไรจึงเรียกว่ารูปสังขารรักรูปทรงสันธานแห่งสามีภริยารักรูปทรงแห่งทาสีทาสาคชาชาตโคคาวีอัศวะมหิงสารักรูปไก่รูปนกรูปวิลาเป็นอาธิแต่บรรดาที่เป็นสัตว์อันตนได้เลี้ยงรักรูปอันมีจิตวิญญาณเห็นปานดังนี้ และจัดได้ชื่อว่ารักรูปทรงแห่งสัตว์และข้อซึ่งรักรูปสันธานแห่งสังขาร น, นั้นคือรักรูปเอารูปถ้วยรูปโตะ๊ะรูปผานรูปเตียงและเครื่องใช้สอยเครื่องประดับประดาอาพร์ทั้งปวงเป็นอาธิแต่บรรดาที่หาวิญญาณมิได้นั่นล่ละได้ชื่อว่ารักรูปทรงสันธานแห่งสังขาร นักเกว่าลังใช่แต่เท่านั้นย่อมรักใครในเสียงแห่งสัตว์และเสียงสังขารเสียงสัตว์นั้นคือเสียงพูดเสียงเจรจาเสียงขับเสียงร้องเสียงห่เสียงกริวมมีเสียงไก่เสียงนกเป็นอาธิแต่บรรดาที่มีจิตวิญญาณนั้นได้ชื่อว่าเสียงสัตว์และเสียงสังขารนั้นคือเสียงชิงเสียงฉาบเสียงทับเสียงโทน เสียงเพรีปีคลุยเป็นอาทิแต่บรรดาที่หาจิตวิญญาณมิได้นั่นแหละจึงได้ชื่อว่าเสียงสังขารกามตัณหานั้นจะรักแต่รูปสังขารจะรักแต่เสียงสัตว์เสียงสังขารเท่านั้นหามิได้ยอมรักกลิ่นรักรสรักสัมผัสแห่งสัตว์และสังขารต่างๆบรรดิตพึงสันนิฐานเถิดว่าลักขณะที่รักรูปสัตว์และรูปสังขาร อันเป็นภายนอกกายนั้นจัดเป็นตัญหาประการหนึ่งลักขณะที่รักเสียงสัตว์และเสียงสังขารอันเป็นภายนอกกายแห่งตนนั้นเล่าก็จัดได้ชื่อว่าตัญหาอีกประการหนึ่งลักขณะที่รักกลิ่นสัตว์และกลิ่นสังขารอันเป็นภายนอกกายก็จัดเป็นตัญหาประการหนึ่งรักรสภายนอกกาย ก็จัดเป็นตัญหาประการหนึ่งรักสัมผัสภ า, ภายนอกกายก็จัดเป็นตัญหาประการหนึ่งรักน้ำใจแห่งผู้อื่นรักรู้ซึ่งเหตุผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามประเพณีโลกวิสัยนั้นก็จัดเป็นตัญหาประการหนึ่งตกว่าการมตัญหาสิ่งเดียวนี้มีรักภายในกายถึงหประการดังนี้ ภาวะตันหานั้นเล่าก็รักรูปรักเสียงรักกลิ่นรักรสรักสัมผัสรักรู้เหตุผลตามประเพณีคดีโลกมีความรักภายนอกกายนั้น6ประการเหมือนกันกับกามตันหาวิภวะตันหานั้นเล่าก็รักรูปรักเสียงรักรสรักสัมผัสรักรู้เหตุผลตามประเพณีคดีโลกมีความรักภายนอกกาย6ประการเหมือนกัน เป็นใจความว่าข้างกามตัญหาก็มีความรักภายนอกนั้น6กข้างภาวะตัญหาก็มีความรักภายนอกกาย6ข้างวิภวะตัญหาก็มีความรักภายนอกกาย6เข้ากันเป็นพาหิราตัญหา18ประการครั้นแล้วเอาอัจฉติการตัญหา18ประสมเข้าด้วยกันเป็นตัญหา36 ลรจึงจัดเป็นตันหาในอดีต36จัดเป็นตันหาในปัจจุบัน36จัดเป็นตันหาในอนาคตข้างหน้า36เข้ากันจึงเป็นร้อยประการโดยในยะที่วิสัชนามาแล้วแต่หลังยัติสาฉัดติงสติโสตาจะสมเด็จพระบรมมาสสดามีพุทธดีกาตรัสว่าพิกเว ดูกรพิขุสงทั้งหลายจัดติงสติโซตากระแสะแห่งตันหาทั้ง36ประการซึ่งเป็นไปในอดีตและอนาคตและปัจจุบันนั้นย่อมไหลไปในรูปารม์สัทธารณมคันธารมพ ร, ระสารลมพธพารมอันเป็นที่รักใคร่เป็นที่เจริญใจแห่งตนจะได้รู้สิ้นรู้สุดนั้นก็หาบอมิได กระแสแห่งตัญหานั้นเชี่ยวแรงกล้าหาญยิ่งนักสันดานแห่งบุคคลผู้ใดเลื่อนลอยไปตามกระแสแห่งตัญหาแล้วสันดานแห่งบุคคลผู้นั้นก็จัดเป็นญาณวิปัต์ปราศจากปัญญาไม่พิจารณาเห็นผิดและชอบคุณและโทษบุญและบาปเมื่อปราศจากปัญญาแล้วทิฏฐิก็บังเกิดในสันดานนั้นเนืองเนือง จะมากไปด้วยทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีจะมีแต่ความประมาทเป็นเบื้องหน้าจะได้เอื้อเฟื้ออาลัยในที่จะเจริญฌานและวิปัสสนาญาณทั้งสิบนั้นก็หาบ่อมิได้เมื่อหาฌานและวิปัสสนาญาณมิได้สันดานก็มากไปด้วยทิฏฐิอันชั่วและทิฏฐิอันชั่วนั้น ก็จะชักนำให้กระทําการอากุศลกรรมต่างๆเมื่อกระทาอากุศลกรรมต่างๆด้วยอำนาจทิฐิอันชั่วนั้นแล้วก็สำหรับแต่ที่จะให้นำมาซึ่งความชิบหายในอิทธโลกและปรรโลกราคานิสิตาแท้จริงความดําริอาศัยซึ่งตัณหาความดําริอันบังเกิดแต่ตัณหานั้น มีแต่จะกระทาให้ถึงซึ่งพี่หน้าชิบหายจะได้เป็นคุณสิ่งใดสิ่งหนึ่งหาบ่อมีได้พิกาเวดูก่อนพิกขูทั้งหลายตันหาที่จัดได้ชื่อว่าโสตานั้นด้วยอัตถาว่าไหลไปสู่อารมณ์โดยทวารทั้งหกมีจักขูเป็นอาทิ ในยะหนึ่งได้ชื่อว่าโสตานั้นด้วยอัฏถาว่าไหลเป็นในภพน้อยภพใหญ่ตั้งแต่การมาภพตลอดถึงรูปประภพจะได้เว้นได้ว่างนั้นหามิได้ในยะหนึ่งตัณหานี้จัดได้ชื่อว่าละดาด้วยอัฏถาว่าเหมือนเครือเขาธรรมดาว่าเครือเขาอันบังเกิดขึ้นแล้ว และเกี่ยวพันรัดรึงพฤกษชาติให้อับให้เฉามิให้แตกให้รัดขึ้นได้ยะถาอันนี้และมีอุปมาชั้นใดอุปมม้ด้วยตันหาตันหานี้ก็เกี่ยวประสานรึงรัดสัตว์ทั้งหลายไว้ให้เวียนไหวตายเกิดออกกำเนิดปฏิสนธิในพบน้อยพบใหญ่ลแล้วแล้วเล้วแตัญจะทิศวาลตังชาตัง นี่แหละพิขูทั้งหลายตันหาอันบังเกิดขึ้นในสันดานเกี่ยวประสานรึงรัดสัตว์ทั้งหลายไว้เหมือนเครือเขาเทาร ด, ดาเห็นสภาวะปานดังนี้ท่านทั้งหลายพิจารณาเห็นว่าเป็นมูลแห่งกองทุกข์แล้วและปรารถนาจะดับทุกนั้นพึงดับต้นเครือตันหานี้เสียก่อนกระทําอาการให้เหมือนบุรุษอันตัดเครือล ด, ดาวัน บรดุดอันตัดเครือละดาวันนั้นย่อมตัดในเบื้องต้นนั้นก่อนจะได้ตัดข้างปลายก่อนนั้นก็หาบอมิได้สืบส่อเห็นต้นเครืออยู่ที่ใดแล้วก็เอามีดอันคมประหารลงในที่นั้นเมื่อตัดต้นเครือขาดได้แล้วปลายเครือนั้นก็จะเหี่ยวแห้งถึงซึ่งพินาศชิบหายมีอาจเป็นขึ้นสืบต่อไปได้แยถา อันนี้หละมีอุปมาชัน้นใดก็มีอุปไมตย์ต่อตันหาท่านทั้งหลายปรารถนาจะดับทุกนั้นก็พึงสแสวงหาซึ่งมีดอันคมคือพระอรหันตมรรคขยานพึงตัดต้นเครืออันกล่าวคือตันหานั้นเสียให้เด็ดขาดด้วยอานาจพระอริยมรรคขยานเมื่อตัดต้นเครือตันหานั้นเด็ดขาดแล้ว ทุกทั้งปวงก็จะดับศูนย์มิได้บังเกิดต่อไปอุปมาดังเครือละดาวันอันบุคคลตัดต้นเครือแล้วจึงเหี่ยวแห้งบ่มิได้เป็นสืบต่อไปนั้นเสรีตานิสเนีหิตานิจดูก่อนพิขูทั้งหลายตัญหานิตถาคตรัสเทศนาว่าเหมือนด้วยยางมะพรับและยางรัก ยางมะพรบและยางรักนั้นเป็นยางไม้อันเหนียวได้ติดได้กระชับสิ่งใดสิ่งใดแล้วก็ติดกระชับอยู่เป็นอันมั่นคงมิได้หลดุดได้ถอนอันนี้แหละมีชั้นใดยางกล่าวคือตัณหานี้ก็ติดกระชับจิตตันดานไว้ให้รักใคร่ผูกพันติดอยู่ในอารมณ์ที่ตนปรารถนาไม่เคลื่อนคลาดได้ มีอุปมายดังยางรักและยางมาพลับที่ติดกระชับอยู่เป็นอันมั่นคงมิได้หลุดได้ถอนนั้นเหมือนด้วยพระชิโนโรสที่เป็นโลกียะจิตยังรักใคร่ผัวพันอยู่ในบาทและจีวรและเครื่องบริขารต่างๆนั้นอาศัยแก่ยางคือตัณหานั้นเป็นมูลเหตุสัตว์ทั้งหลายที่ส่งอารมณ์ไปในวัตถุ ก, กามกิเลสกามจะมีความชื่นชมโสมนัส จะมีความกำหนัดติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นก็อาศัยแก่อย่างคือตัญหานี้เป็นมูลเหตุบุคคลที่รู้อำนาจแก่ตัญหานั้นย่อมสแสวงหาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแสวงหาความสุขในเบญจากามคุณสำคัญมั่นคงอยู่ว่าบริบูรณ์ด้วยกามคุณแล้วก็เป็นสุข เมื่อแสวงหาความสุขความยินดีในเบญจกามคุณด้วยสามารถลุกอำนาจแก่ตัญหาเห็นปานดังนี้ก็หน้าที่จะเที่ยวท่องล่องลอยเวียนไหวตายเกิดในกระแสวัฏตาสงสารเวียนตายเวียนเกิดเวียนหนุ่มเวียนแก่เวียนไข้เจ็บมีอาจที่จะล่วงข้ามพ้นจากชาติกันดานชรากันดานพยาธิกันดานมรณะกันดานได้ เพราะเหตุลุกอำนาจแกตัญหาตสศินายะปุรักขตาปชาดูก่อนพิขูทั้งหลายบุคคลที่ลุกอำนาจแกตัญหาตัญหาเข้าแวดล้อมเข้าคำชูอยู่นั้นจะปรีเปรมเกษมสุขสบายกายและจิตอยู่ได้ก็แต่ในขณะเมื่อความทุกข์ความพิบัติยังไม่ได้มาถึงถ้าความทุกข์ความพิบัติมาถึงเข้าแล้ว ก็สะดุ้งตกประมาเอาสติอารมณ์มิได้เปรียบดุดกระต่ายอันติดบวงในพรานป่ากระต่ายอันติดบวงในพรานป่าที่ดักไว้ในอรัญญาประเทศราวป่านั้นย่อมมีกายอันประพันธ์วันไหวขวัญหายกลัวแต่ในพรานตัญหานั้นเปรียบปานแดงตัวในพรานบุคคลที่รู้อำนาจแกตัญหานั้นเปรียบดุดกระต่าย ราวป่านั้นอันเป็นที่เร้นแห่งกระต่ายนั้นเปรียบดุดกา ร, รมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสขณะเมื่อกระต่ายยังมิได้ติดบ่วงแห่งนายพรานและมีความรื่นเริงบันเทิงใจโลดแล่นไปด้วยอัจาสายแห่งตนนั้นเปรียบดังบุคคลที่ลุกอำนาจแกตันหาและขวนควายสแสวงหาความสุขความยินดีในเบญจากา ร, รมคุณทั้งหประการ คณะเมื่อกระต่ายติดบ่วงในพรานและมีความสะดุ้งตกใจสถานกายประพรั่นขวันหายนั้นเปรียบดังพรานปุถุชนที่ลุกอำนาจแกตันหาอันบ่วงคือสังโยดหากมารัตรึงไว้มิได้ล่วงพ้นจากชาติกันดานชรากันดานพยาธิกันดานได้ติดบ่วงคือสังโยดทำอยู่แล้วและมีความสะดุ้งตกใจกลัวภัยทั้งปวง แต่บรรดาที่มาถึงแก่ตนนั้นแท้จริงสัตว์ทั้งหลายที่ติดอยู่ในสังโยน์กล่าวคือตัญหานั้นย่อมเวียน่หวตายเกิดอยู่ในวัฏตาสงสารเวียนทุกเวียนตายไม่รู้สิ้นรู้สุดไม่มีการกําหนดที่จะพ้นทุกพ้นภัยอาศัยเหตุชะนี้ท่านทั้งปวงจงอุตสาหบรรเทาเสียซึ่งตัญหา อย่าได้เอื้อเฟืออะไรอยู่ในตัณหาอันมีลักษณะให้ปรารถนาในเบญจา ก, กามคุณนี้เลยจงปรารถนาพระนิพพานอันปราศจากราคะโทสะโมหะเถิดพระนิพพานนั่นแหละเป็นที่กเกษมสารเป็นบรมสุขโดยเที่ยงแท้หาทุกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมาปนละคนอยู่มิได้ อุตสาสวงหาพระอระหาตาัตมรขยานประหารตัดเสียให้ขาดเด็ดเป็นสมุทเฉทประหารดำเนินขึ้นสู่นิเวสสถานคือพระอมตามหานคนรนฤพานนั้นเถิดนาตังทันหังพันธนามาหุทีราดูก่อนพิขูททั้งหลายธรรมดาว่าบวงคือตัณหานี้ เป็นบ่วงอันมั่นคงบ่วงใดๆจะมั่นคงแน่นหนาเหมือนด้วยบ่วงคือตันหานี้ก็หาไม่ได้ยะทายะสังทารุชาปัปพาชัต จ, จะถึงเครื่องจาอันบุคคลกระทาด้วยเหล็กเป็นต้นว่าโซตรวนนั้นก็ดีเครื่องจาอันบุคคลกระทาด้วยไม้เป็นต้นว่าขือและขานั้นก็ดีเครื่องผูกอันบุคคลกระทาด้วยป่านและปอ เป็นต้นว่าเชือกอันบุคคลฟันไว้สาหรับผูกมัดซึ่งนักโทษนั้นก็ดีเครื่องผูกและเครื่องจําทั้งปวงนี้ถึงจะผูกพันให้แน่นหนาก็ไม่แน่นหนาเหมือนด้วยเครื่องผูกเครื่องจํากล่าวคือตันหานี้เครื่องจําอื่นนั้นถ้าบุคคลปรารถนาจะฟันจะตัดด้วยพราและขวานที่คมคมแล้วฉันทิตุงสักโกติ ก็อาจตัดฟันเสียได้ตันหาสังขาตังเครื่องจำกล่าวคือตันหานี้ถึงจะมีพระและควานที่คมคมสักเท่าใดเท่าใดก็มีอาจเอามาตัดเอามาฟันให้เด็ดขาดออกได้ตันหาพันธนังเครื่องจำคือตันหานี้ผลวิสัยที่จะตัดจะฟันให้เด็ดขาดออกด้วยคมพระและคมควานได้ อาศัยเหตุดังนั้นจึงว่าเครื่องจำคือตัญหานั้นอุจจริงทันหะพันธนังเป็นเครื่องจำอันมั่นยิ่งกว่าเครื่องจำทั้งปวงตัญหาอันมีลักษณะให้รักใครให้เอื้อเฟื้ออาลัยในบุตรภริยาให้กำนัดยินดีอยู่ในพบมณีกุณเดเลสุให้รักอยู่ในวัตถุสิ่งของทั้งปวง เป็นต้นว่ากุลทนแก้วและกุลทนทองอันวิจิตบรรจงต่างๆพุทธายโทอันปราดทั้งหลายมีสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานย่อมออกพระโอตรัสว่าเป็นเครื่องจําอันมั่นโอหารินางว่าเครื่องจําคือตันหานี้ย่อมจองจําผูกมัดสัตว์ไว้ให้มั่น และวก็ฉุดคร่าผลักใสสัตว์ทั้งหลายให้ตกไปในจตุราบายภูมิทั้งสี่คือนรกและเปรตดิราัชานและอสุรกายเป็นต้นสิทิลังเครื่องจําคือตันหานี้เป็นเครื่องจําอันย่อนผูกมัดจําจองซึ่งบุคคลผู้ใดแล้วและกระทําให้บุคคลผู้นั้นมีผิวหนังและมังสังเป็นริ้วรอย มีโลหิตอันเอิบอาบซาบซึมออกมาตามผิวหนังเหมือนเครื่องผูกอื่นๆนั้นก็หาไม่ได้ตันหาพันธนังเครื่องจำคือตันหานี้จำหย่อนๆย่อนจำไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวบุคคลที่ต้องมัดต้องจำอยู่ด้วยเครื่องจำคือตันหานี้กระทำการไร่การนาการค้าขายทางชนลมากสทลมาก ได้โดยสะดวกมิได้ขัดได้ขวางทุกปมุลจะจำย่อนย่อนก็จริงแต่ท้าว่ายากนักที่บุคคลจะปลดเปลื้องได้กัจโปวิยาเปรียบปานประดุษ ด, ดังเตา่าอันบุคคลมัดด้วยเชือกแล้วยากนักที่จะเปลื้องตนได้ยะถาอันนี้ละมีชั้นใดอุปมายต่อบุคคล ที่ต้องมัดต้องจำกล่าวคือตันหาเครื่องจำคือตันหานี้ก็ยากที่จะปลดเปลื้องตนให้พ้นได้พิกเวดูก่อนพิกขูทั้งหลายตันหาพันธนังเครื่องจำคือตันหาอันมั่นคงแน่นหนาเห็นปานดังนี้บุคคลจะตัดเสียให้ขาดนั้นอาศัยแก่ดาบ คือพระอระหัตตมัคคยานได้สำเร็จพระอระหัตตมักคยานแล้วเมื่อใดก็จะตัดบ่วงตันหาให้ขาดเด็ดเป็นสมุดเฉททะประหารได้ในการเมื่อนั้นบุคคลสแสวงหาซึ่งดาบคือพระอระหัตตมัคคยานนั้นพึงสละเสียซึ่งกรรมสุขอย่าได้เอื้อเฟืออาลัยในกาเมร่าคาพึงยินดีในที่อันสแสวงหาซึ่งศีลคุณละทุดงฆคุณ เพียรพยายามในอาธิจิตและอธิปัญญาอันกล่าวคือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเพียรไปเพียรไปกว่าจะได้ดาบคือพระอรหันตมัคคิยานสำเร็จมโนรสความปรารถนาในการใดก็จะตัดรอนเสียได้ซึ่งเครื่องผูกเครื่องจํากล่าวคือตันหาในการเมื่อนั้น พิกเวดูก่อนพิกูทั้งหลายเยราคารัตตาสักทั้งหลายที่ยินดีด้วยกามราคานั้นย่อมขัดข้องอยู่ด้วยกามราคะและอำนาจแห่งโทโสย่อมลุ่มหลงอยู่ด้วยอำนาจแห่งโมโหย่อมประพฤติเป็นไปตามกระแสแห่งตันหาขัดข้องอยู่ด้วยตัญหามีอาจล่วงไปให้พ้นจากไข่คือตัญหานี้ได้ มักกะตะโกวิยะเปรียบประดุษดังมลงมุมอันชักใยแห่งตนออกแล้วและขึงไปเป็นตาข่ายสำหรับที่จะดักสัตว์มีเหลือบและยุงเป็นอาธิธรรมดาว่ามลงมุมนั้นเมื่อชักใยแห่งตนออกเป็นตาข่ายไว้แล้วก็นอนอยู่ในถ้ำกลางแห่งตาข่ายถ้าสัตว์เป็นต้นว่าเหลือบและยุงบินมาติดเข้าที่ตาข่ายอันตนคึงไว้ ไวถึงตนเข้าแล้วเมื่อใดมแมลงมุมก็ไต่ออกไปตามยายด้วยเร็วพลันจับเอาสัตว์นั้นได้แล้วก็เจาะกินซึ่งเยื่อสมองแห่งสัตว์นั้นเป็นพักสาหารครั้นกินเยื่อสมองสำเร็จแล้วมแมลงมุมก็กลับเข้าไปนอนอยู่ในถ้ำกลางแห่งตะขายอีกเล่าจะได้ไปจากตะขายนั้นก็หาบ่หมีได้ยะถาอันนี้แหละมีอุปมาฉันใด อุปมาไมดุดบุคคลที่ยินดีอยู่ในกามราคะและขัดข้องอยู่ด้วยโทโสลุ่มหลงอยู่ด้วยโมโหนั้นก็ประพฤติตามกระแสแห่งตันหาประพฤติตามความปรารถนาแห่งตนมีอาจหักหานใจแห่งตนที่ตกไปตามกระแสแห่งตันหานั้นได้ก็เวียนไปตามอำนาจแห่งตันหาอุปมาดังมแมลงมุมอันเวียนอยู่ในใยแห่งตน มิได้ล่วงไปพ้นใหญ่แห่งตนได้ตันหาสังขาตามัคตะกะชาลาใหญ่มแมลงมุมกล่าวคือตันหานี้อริยนักปราดทั้งหลายย่อมตัดให้ขาดด้วยอำนาจพระอรหันตมรรคญาณประหารให้เป็นสมุทเฉดมิให้กลับติดต่อเข้าได้นิราลยาอริยนักปราดทั้งหลายนั้น ย่อมปราศจากเอื้อเฟื้ออาลัยในสัตว์สังขารบ่ายหน้าเข้าสู่ห้องแก้วอันกล่าวแล้วคือพระอมตะมหานิพพานสละเสด้ซึ่งกองกิเลสทั้งปวงสิ้นเสร็จเพราะเหตุที่ตัดใหญ่เสด้นั่นแหละเป็นต้นเป็นเดิม